ผู้ทวาสวัสดีคะ่ะท่านฟังที่ครบคะ่ะรายการนี้สันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยสันสนีนาฏพงศ์นะคะก็ามาพบกับท่านทั้งหลายกันอีกวันหนึ่งแล้วเพื่อที่จะให้ท่านนั้นได้นำเอาหลักธรรมคำสอนของระาศาสดาที่ได้ตรัสเอาไว้นะคะไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันไปใช้ให้เกิดการงอกเงย จเจริญขึ้นในการพัฒนาตนเองด้วยธรรมของพระศาสดาให้ทุกน้อยลงมีความสุขมากขึ้นหรือว่าอาจจะพ้นไปจากวัตฏะคือพ้นไปจากาวงเวียนของความทุกข์ต้องว่าอย่างนี้นะคะก็ไปพบกับพระมหาภัยบุญอภิปุโลโนจากวัดป่าดอนไฮโศกอำเภอหนองหานอุดรธานีซึ่งมาให้ธรรมะกับท่านทั้งหลายอยู่เป็นประจำค่ะกราบน้ำสักการกับทั้งคะเชีย่ยพานค่ะก็ เป็นเรื่องที่ดิฉันติดใจจากเมื่อวานอืมคือเมื่อวานได้กล่าวเรียนถามท่านถึงเรื่องเกี่ยวกับพรหมพรหมวิหารแล้วท่านก็พูดถึงว่าพ่อแม่ในต้องติดเบรกที่ขาบ้างอะไรเงี้ยนะคะอย่าไปกังวลเพราะความกังวลเป็นอกุศลใช่ดิฉันสงสัยว่าคําว่าอุเบกขาเนี่ยค่ะท่านคะอืมอุเบกขาเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภาษาบาลีคะเป็นภาษาบาลีเป็นภาษาบาลีงั้นเหรอคะใช่อ๋อ อุเบกขาเป็นภาษาบาลีภาษาบาลีก็อ่านว่าอุเบกขางี้เลยไหมคะถูกต้องสะกดด้วยอุเบกคางี้เลยภาษาบาลีเลยเปรยเลยอ๋อสระอุสระเอบอใบไม้กอกไก่ต้องมีจุดข้างล่างค่ะแต่ต้องมีสระเอบอใบไม้กกไก่แล้วก็ขอไข่สระอา่าใช่อ๋อค่ะอันนี้เป็นภาษาบาลีในภาษาบาลีตรงตัวไม่ต้องเอาไปเข้ากับพรมวิหารเนี่ยนะคะ<ด>แปลอย่างไรค ะ, ะความวางเฉยแปลเป็นภาษา<อ>ไทยเลยนะ แปลว่า ค, <ะ>ความวางเฉยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า e q u i l i b r i m i t y บ่งบอกให้ถึงว่าแบบอะไรมากระทวนโดนกระเทือนก็อีค a l ไลซ์หมดแบบนิ่งหมดนะเฉยหมดมความตรงนี้ ค, <ะ>ความนิ่งเฉยความวางเฉยจากการที่มีอะไรมากระทบก็ตามอันนี้คืออุเบกขาค่ะดิฉันเนี่ยสงสัยจังเลยนะคะว่าในการที่จะสวดมนต์บางคนก็บอกว่า สวดภาษาบาลีเนี่ยสวดไม่รู้เรื่องแล้วก็จะเกิดประโยชน์ได้อย่างไรอืดบางคนก็บอกว่าสวดภาษาไทยอย่างเดียวเนี่ยไม่ศักดิ์ส<อ>ิทธิ์เรื่องเคยนะคะที่มีอครูบาอาจารย์หลายปีมาแล้วท่านก็บอกว่าต้องมีภาษาบาลีไว้นี่แหละอืมถึงจะศักดิ์สิทธิ์แต่ดิ่ฉันฟังแล้วมันก็แปลกๆนะคะ เพราะก็ไม่รู้ว่าถ้าเราท่องบทมากๆนี่มีความพิเศษโดยที่เราไม่เข้าใจเลยแล้วศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาได้อย่างนั้นเลยเหรอโอเคอย่างเช่นว่านกแก้วนกคุณทองค่ะคุณยมติลดูถึงนกแก้วนกคุณทองนกแก้วนกคุณทองนี่เขาไม่ใช่ไม่เข้าใจภาษาคนอยู่แล้วแต่แตเราพูดอะไรไปปุ๊บเขาพูดได้ไอาการที่เขาพูดได้เนี่ยแล้วเขาจําได้โดยที่เขาไม่รู้ความหมายเลยนะเกิดประโยชน์มไหมคุณยมติว่ามันก็มีบ้าง น, นะคะทําทให้นคนที่ได้ฟังแล้วตื่นเต้นหุ่นนกเก่ง S 1> <S 1> <S <S แค่นั้นแหละแค่นั้นแหละบางทีคนอื่นที่เขาฟังบาลีรู้เรื่องเขาได้ยินเราพูดแต่ว่าเราไม่รู้บาลีหรอกคนที่ได้ฟังอาจจะเป็นเทวดาอาจจะเป็นมนุษย์ใครก็ตามไม่รู้เขาอาจจะได้ประโยชน์จากการที่เขารึกตรงนั้นได้ก็มีประโยชน์แค่ตรงเนี้ก็ประมาณนี้ยนะแต่ว่าคนพูดเองก็จะไม่ได้ประโยชน์จากสิ่งที่ตัวเองพูดนะอันนี้ <S <S ทำความเข้าใจนิดหนึ่งแต่ว่าคนอื่นก็เข้าใจยังได้ถ้าคนอื่นเขาเข้าใจแล้วถ้าเราศึกษา พระพุทธศาสนาเนี่ยนะคะอเอาในระดับแบบอย่างที่ฉันอย่างเงี้ยนะคะคือไม่ใช่พระสงฆ์ไม่ใช่ภิกษุณีไม่ใช่แม่ชี uh huh. และนักบวชต่างๆ <Okay. S 2> จำเป็นไหมคะต้องเรียนบาลีจะทำให้เข้าใจทราบซึ่งอะไรมากขึ้นไหมคะในความเห็นอาตมานะในความเห็นของอาตมาอาตมาเป็นพระเนี่ยคิดว่ามีความจำเป็นอย่างมากอย่างมากที่คนทุกคนเลยเพราะว่าควรจะต้องรู้ภาษาบาลีหลักการบ้างหลักการบ้างเพราะอะไร นนในความเป็นามาเป็นแบบนี้เพราะว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยพูดภาษาบาลีอันนี้คือหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือว่าข้อมูลทางวิชาการเขาก็ลงความเห็นกันละแต่นะว่าเป็นไปได้สูงที่ภาษาที่พระพุทธเจ้าใช้เนี่ยคือภาษามคธ์เขาก็เรียกกันว่าเป็นภาษาบาลีนี่แหละนะเป็นภาษาที่สืบทอดคําสอนมาถามว่าทําไมเขาก็เมืองไทยตอนนี้มันก็มีแปลหม ด, ดเรียบร้อยแล้วนะแต่ไม่ใช่แปลด้วยสัมนวนเดียวแต่มีตั้ง4 5่หาสันวนกูจะาสัมนวนไหนก็ได้ ไหชอบชสำนวนไหนคุณก็ไปอ่านสำนวนนั้นแล้วมันก็น่าจะจบแล้วถูกไหมออตอนแรกๆอดามาก็คิดอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็น่าจะจบแล้วนะเพราะว่าเขาก็แปลเป็นไทยไปเรียบร้อยแล้วไม่เห็นจเป็นจะต้องไปศึกษาภาษาบาลีเพิ่มเติมนะแต่นี้ไอ้ความที่ความเห็นตรงนี้ของอดามา เ, เปลี่ยนไป ค, คุณโยมเต๋อเพราะว่าในช่วง3ปีหลังเนี่ยอดามาได้มาศึกษาภาษาบาลนะีคนพบถึงว่าโอ้โหเราพลาดไปตั้งหลายอย่าง จากการที่เราคิดว่าเราไม่จำเป็นต้องเรียนนะคิดว่าเราก็รู้ภาษาไทยแล้วเราก็รู้ภาษาอังกฤษแล้วเขก็แปลมาแล้วก็จบแค่นั้นนะโดยที่ไม่ได้เข้าไปถึงตัวภาษาบาลีเนี่ยโหเราเสียเวลาคือหมายว่าเราเร า, เราขาดทุนกําไรอะ่ะที่เราจะได้รู้ก่อนเนะพิ่มมารู้ 3-4 ปีหลังนี้ว่ามันมีข้อมูลอื่นๆอยเช่นถ้าสมมติการแปลเราเอาเรื่องของการแปลก่อนนะคุณผูมถือว่าคือคนที่เขาแปลเขาต้องผ่านหลืบสมองการ ก, า ร, กระบวนการความคิดของเขา ถูกมคะ่ะพอแปลงมาปุ๊บมันก็ต้องเป็นรูปแบบของภาษาไทยซึ่งรูปแบบของภาษาไทยเนี่ยกับรูปแบบของภาษาบาลีมันไม่เหมือนกันถ้าเราอ่านสุนทรพจน์ของผู้นำํำที่เชาวอเมริกันหรือว่าภาษาอังกฤษอษย่างเงี้ยน ะ, ะเขาก็มีสุนทรพจน์ดีๆเ่านสุนทรพจน์ของเชอร์ชิลที่เขาพูดถึงสงครามโลกอย่างเงี้ยหรือว่าสุนทรพจน์อะไรบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็แปลงมาเป็นภาษาไทยอ่านแล้วมันไม่ซึ้งเท่ากับอ่านภาษาอังกฤษอันนี้เราเห็นได้ชัดเจนนะ เช่นเดียวกัน อ, อ่านภาษาบาลีแล้วเข้าใช้ภาษาบาลีเนี่ยมันซึ้งกว่าอ่านภาษาไทยที่แปลมาจากภาษาบาลีโอเคน ะ, คะทําไมเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าแม้แต่คําศัพท์อย่างภาษาไทยเนี่ยไม่มีเอกพจน์ไม่มีเบหูพจน์อย่างถ้าเราพูดบอกว่ามีช้างก็มีช้างแล้วไงแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษมันก็จะมีเติมเอหรือไม่เติมเอใช่ไหมภาษาบาลีก็ต้องเติ ม, ตมหลายตัวเลยใช่ลักษณะนั้นเพราะฉะนั้นคําเดียวเนี่ย มันจะได้บอกถึงถึงความหมายว่ามีภิกษุอะแล้วภิกษุกี่รูปกันแน่แต่ถ้ามีภิกษุหลายรูปมันก็จะให้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งแต่ถ้ามีภิกษุรูปเดียวก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบหนึง่งแต่ในคําเดียวมันสามารถบอกได้เลยอ๋อเหรอคะงั้นเดี๋ยวฉันขอถามท่านเลยนะคะว่าถ้าภิกษุรูปเดียวนี่ภาษาบาลีว่าอย่างไรหลายรูปเป็นอย่างไรเหรคะมันก็จะมีการเปลี่ยนตัวท้ายนิดหนึ่งในลนักษณะของภาษาอังกฤษนี่เลยเติม s หรือว่าไม่เติม s แตภาษาบาลีเขาก็จะเปลี่ยนเป็นภิกขุ หรือว่าพี่ขุแก่นี้เองพี่ขูนี่แปลว่าหลายรูปหลายรูปใช่อ๋อ oh, ค่ะพี่ขูนี่ก็รูปเดียวไม่ใช่พิมพ์ผิดนะคะไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเราก็จะรูป เ, รเดียวพีกขุหลายรูปเราก็จะเห็นตรงนี้ได้แต่ว่ามันมันชัดเจนแล้วภาษาเนี่ย ม, มันชัดเจนตรงที่ว่าการใช้กิริยาการใช้ประธานการใช้กรรมเนี่ยหมุนกันอยู่ในหมุนกันอยู่ในประโยคเนี่ยมันมีความล็อกลงตัวกันอยู่เช่นได้รับมาบอกว่า ฉันกัดงูฉันกัดงูเนี่ยนะก็คือคือเราเป็นประธานตัวฉันเป็นประธานใช่ไหม <c oughs> งูเนี่ยถูกฉันกัดนแต่ <โ at S 1> ถ้าเราสลับกันใหม่เป็นงูกัดฉันง <c oughs> ูกัดฉันนี่คืองูเป็นประธานฉันถูกงูกัดแต่ถ้าเป็นภาษาบาลีเนี่ย <urun. S 1> ถ้าคุณวางเอาไว้แล้วว่าตัวไหนเป็นประธานตัวไหนเป็นกรรมเนี่ยคุณจะสลับหน้าสลับหลังนี่ไม่มีปัญหาเลยคุณจะจําว่าฉันกัดงูหรืองูกัดฉันแต่ถ้าฉันเป็นประธานต่อให้ฉันอยู่ท้ายฉันก็ยังเป็นประธานอยู่ดี งูต่างหาที่ถูกกัดต่อให้งูมันอยู่ข้างหน้าก็ตามอันนี้คือลักษณะของสาบาลถีถูกต้องถูกต้องนะคือถ้าเราจําสับสนตัวหน้ามันเป็นตัวหลังยังไงมันต้องมีเงื่อนไขล็อกกันอยู่ทาให้เราไม่มีความปิดปลาด อ, นะอันนี้เป็นอย่างนั้นอองั้นถ้าสมมุติว่ า, าบทง่ายๆที่คนไทยท่องๆได้อยู่ทุกวันเนี่ยนะคะอะสมมติอิมมติปิโสสวาขาโตสุปฏิปันโนเนี่ยอืมแล้วก็มีบทแปล ซึ่งส่วนใหญ่ก็แปลค่อนข้างคือจริงๆลึกซึ้ง<ถ>อยู่นะคนแปลเข้ามาตั้งแต่แรกๆนั่นนะค่ะเดี๋ยวฉันก็ อ, อยากทราบว่าอย่างที่ที่ยกตัวอย่างไปเนี่ยมีอะไรที่ถ้าเข้าใจภาษาบาลีแล้วจะซึ้งกว่าที่เขาแปลไหมคะมีชุดหนึ่งอย่างเช่นว่าเรื่องของชากริยานธรรมฌนะากริยานธรรมเนคือธรรมที่ประกอบอันเป็นเครื่องตื่นในเครื่องตื่นชากริยานธรรมเนี่ยเป็นหนึ่งในหมวดของสิ่งที่เรีกยกว่าอัปันนากะปฏิปทาหมายความว่า สิ่งที่ไม่ผิดไม่มีทางผิดเลยที่ถ้าเมื่อปฏิบัติแล้วไม่มีทางจะเสือ่อมเสียมีแต่จะดีท่าเดียวชาตริยาณธรรมเนี่ยข้อปฏิบัติตรงนี้นะก็คือการนอนยามเดียวนอนยามเดียวเนี่ยคือยามกลางคืนนใะนบทเพียรชนะที่พระรูชาให้ไว้ตรงนี้ก็คือว่าอา้าวตนนื่นเช้าขึ้นมานะก็เพียรเผากิเลสนะกําจัดอสุหานิยธรรมด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันนะตลอดวัน ท่านพุทธทาสมาแปลนะคือท่านพุทธทาสเนี่ยเป็นนักปรารถในการที่ท่านไปศึกษาภาษาบาลีมาเสร็จแล้วท่านก็แปลพระไตรปิฎกเองแต่ท่านไม่ได้แปลทั้งหมดนะท่านก็แปลเฉพาะบางส่วนตรงนั้นตรงนี้แล้วก็ทําเป็นหนังสือที่เรียกว่าชุดธรรมโคดเนี่ยมีตรงหนึ่งที่ท่านแปลเรื่องชากลียานธรรมนี่ท่านแปลไว้สวยงามมากอาจมาต้องการจะให้ฟังบทเพียงชนะที่ท่านพุทธทาสแปลนะท่านพุทธทาสแปลแต่ท่านบอกว่าท่านแปลมาอย่างนี้บอกว่าบุคคลเนี่ยเดี๋ยวพิสูจน์เนี่แหละเดี๋ยเมื่อลุกขึ้นแล้วแล้วก็ เปี่ยนเผากิเลส ด, ด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยังค่ําไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรนะีไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีครั้นยามกลางแห่งราตรีนอนอย่างราชสีคือตะแคงเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะแนอนที่จดลุกขึ้นครั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีลุกขึ้นแล้วแล้วก็เพียนเผากิเลสต่อไปด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งอีกตลอดวันไปอย่างนี้นะเราจะเห็นว่า ที่ท่านพุทธทาสแปลออกมาเนี่ยท่านแปลว่าเพียรเผากิเลสด้วยการเดินด้วยการนั่งจนถึงยามแรกแห่งราตรีซึ่งยามแรกแห่งราตรีเนี่ยถ้าสมมุติแบ่งราตรีออกเป็น4ีสส่วนเท่ากันใช่ไหม <Okay. S 1> ยามต้นยามกลางยามปลายยามแรกของราตรีก็จะไปสุดตอนสี่ทุ่มก็คือวางกิริยาไว้ตัวหนึ่งก็คือทําจนถึงสี่ทุ่ม น, นี่คือตัวที่1กิริยาตัวที่1นึ่งแล้วนอนล่ะก็นอนตอนสี่ทุ่มถึงตีสอนี่คือนอน แล้วตื่นตอนตีสอจนถึงตอนเช้าก็ทําแบบเดิมอีกนี่คือสิ่งที่ท่านพุทธทาสแปลแต่ท่านแปลไว้ดีสัมมวนสวยงามมากแต่ว่าในภาษาบาลีเนี่ยเขามีกิริยาอีกตัวหนึ่งคุณยมติวแต่เขามีกิรยิ ย, ย, ารยาวางไว้ตรงหกโมงเย็นวางไว้ตรงหกโมงเย็นว่าคุณเพียเพรเผากิเลตตั้งแต่เช้าจนถึงหกโมงเย็นตั้งแต่หกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มแล้วก็เพียเพรเผากิเลต นั่นคือวางกิริยาไว้สองตัวแต่ท่านพุทธทาสเนี่ยรวบมาเป็นตัวเดียวไว้ตอนสี่ทุ่มเข้าใจไหมค่ะจนถึงทําจนถึงสี่ทุ่มแต่ในภาษาบาลีเนี่ยคือทําจนถึง6กโมงเยนแล้วก็ทําจนถึงสี่ทุ่มมันมันให้ความหมายอะไรนั่นะคือ <Okay. S 1> คือลักษณะของภาษาเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ากิริยาที่อยู่ในระหว่าง แ, แสดงให้เห็นว่าคุณทําตรงนี้แล้วคุณเบรกได้คุณพักได้อ mm. คุณปฏิบัติมาจนถึง6กโมงเยนแล้วเอาเบรกไปพักอาบน้าําอาบท่าหรือว่าพักผ่อสนสักหน่อยแล้วก็ เสร็เรียบร้อยตอนกลางคืนหกโมงเย็นนถึงสี่ทุ่มทำอีกอมันจะมีความลึกซึ้งตรงนี้นะอ๋อค่ ะ, ะก็เห็นภาพนะคะทีนี้ในเมื่ออย่างเราๆท่านๆ น, นะะอาจจะไม่ได้สัมผัสกับพระสูตรที่เป็นภาษาทไทยคือพุทธพจนอกเหนือจากที่เราพบกันทั่วๆไปนะค ะ, ะที่สันเสริญพระรัตนไกลมีบท อื่นๆ อ, อ, อีกอยู่ไม่กี่บทนะคะต้องบอกว่าไม่เท่าไหร่บทที่คนสวดกันมากๆเนี่ยนะค ะ, ะเช่นอรหังสัมมาสวากาโตสุปฏิปันโนนะโมตัสตะเรื่องศีลห้าเรื่องอะไรพวกนี้ ม, ม, มีไหมคะที่เราควรจะเข้าใจส่วนใหญ่แล้วยังเข้าใจในเรื่องของความแปลไม่ถูกต้องควรที่จะเข้าใจว่าเมื่อท่านได้ไปพบในบาลีแล้ว เราต้องทราบอะไรเพิ่มเติมหรือว่าทราบให้ชัดเจนมากท่สขึ้นไม่คลาดเคลื่อนเหมือนที่เราเคยรู้มาอส่วนใหญ่ที่ที่นิยมสวดกันอยู่แล้วอนมากว่าขั้นนั้นแปลว่าอย่างดีลึกซึ้งมากอยู่แล้วค่ะอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาตรงนั้นทีนี้ว่าเอทําไมถึงอนมาถึงยังยืนยันบอกว่าควรจะต้องเรียน ควจะต้องมาทําความศึกษาคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องจําศัพท์ได้ทั้งทั้งพจนานุกรมแต่การเรียนเนี่ยเพื่อให้เรารู้ว่าเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไหนนะเพราะว่าแน่นอนบางทีคําแปลเนี่ยแปลแว่ตั้งแต่สมัยร๕นะแปลแว่ตั้งแต่สมัยร5คําคศัพท์แสงที่เขาใช้มันก็มันก็นผิดเปลี่ยนแปลงไปอย่างเส้นในสมัยรัชกาลที่5เขาแปลจากภาษาบาลีเนี่ยเจตนาเนี่ยนะมาแปลเป็นสมัยภาษาที่ร๕ใช้ก็คําว่าแซงแซง ฆ่าสัตว์ให้ตกจากชีวิตก็คือมีเจตนาฆ่าสัตว์อ่<ค>ะแซงฆ่าสัตว์ให้ตกจากชีวิตก็คือมีเจตนาฆ่าสัตว์แต่ว่าพอมาเป็นปัจจุบันคำว่าแซงนี่หมายถึงแกล้งทำใช่แล้วคะ่ะอ่ามันก็เลยเข้าใจผิดไปอีกว่าอ๋อถ้า ง, งั้นเดินไปไม่ได้เจตนานี้ก็ผิดอาบัตินี้เนี่ยพระก็เลยปฏิบัติแบบมืนนิดนึงอ่ะมันก็ต้องกลับไปดูที่บาลีว่าเอ๊คำนี้หมายความว่าอะไรกันแน่ค่ะแต่คุณก็ต้องรู้ว่า งั้นจะต้องไปหาข้อมูลจากไหนตระเวรพระชนานักรมว่ายังไงเอ๊ะศัพท์คำนี้ทําไมตอนท้ายมันไม่เหมือนกันเราต้องไปดูยังไงอย่างน้อยหลักการต้องทราบโอเคค่ะนี่หมายถึงว่าถ้าหากจะศึกษาด้วยตนเองให้งอกงามยิ่งขึ้นการเรียนรู้ภาษาบาลีด้วยเนี่จะช่วยได้เป็นอย่างดีว่าเราจะไปค้นคว้าได้ที่ไหนเพิ่มเติมแล้วก็คือคนไทยเนี่ยมันได้เปรียบคุณโยมติวตรงที่ว่าภาษาของเราเนี่ยใช้บาลีอยู่เยอะแยะอยู่แล้ว ใช่<ะ>บาลอยู่เยอะแยะอยู่แล้วบางทีเราแค่อาจจะไปแบบศึกษาเพิ่มเติมตรงนั้นนี่ตรงนี้หน่อยคือต้องการให้ใหท่านู้ฟังเนี่ยแบบมีใจเปิดกว้างอะมื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินเอื้อมะ น, นะนก็อาจจะต้องศึกษาบ้างแต่มันก็ทําได้อยู่นะไม่ยากเกินไปไม่ยากเกินไปพอทําได้อาัมาเนี่ยยังทําได้เลย <c oughs> <c oughs> คือ <c oughs> คือตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะจะเรียนนะนะคุณยมติ่ว<ะ>แต่พอมาเรียนแล้วเนี่ย โอ้มีประโยชน์มีประโยชน์คือภาษาพ่อภาษาแม่เราเราต้องพูดอืมดิฉันได้ยินท่านพูดว่าภาษาบาลีที่สอนในประเทศไทยนี่เจ๋งสุดแล้วจริงใช่ไหมคะโอมีความลึกซึ้งมากมีความลึกซึ้งมากแล้วก็เรียนกันจถึงรากศัพท์อ่าเราก็เรียนสัมพันธ์ชนิดที่เรียกว่าโอ้คนอื่นเขาไม่สอนกันอ แ, แบบลึกซึ้งมากค่ะ อ, อดิฉันสงสัยอยู่อย่างที่ว่าเออถ้าเราเรียนรู้ภาษาบาลีเท่าๆกันเนี่ยเวลาเจอกันเนี่ย ภาษาบาลีเป็นภาษาใช้พูดคุยไหมคะที่ฉันไม่เคยเห็นพระคุยกันด้วยภาษาบาลีเลยเออมีเขาใช้กันในการประชุมวิชาการบางแห่งนะอ๋อเหรอคะใช่ใช่เป็นภาษาพูดทั่วไปด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่ว่ามีไว้บันทึกภาษานีงง้บางคนก็จะบอกว่าเป็นภาษาที่ตายแล้วลคือไม่ได้มีการใช้พูดกันแต่เขาก็มีสอนหลักสูตรบาลีสำหรับการพูดเหมือนกันมีการสอนตรงนี้อยู่อซึ่งตรงนี้เป็นหลักสูตรที่รู้สึกจะมีการสอนอยู่ในประเทศพม่ากับประเทศลังกาอ๋อค่ะ นะคะเราก็ได้รู้เป็นความรู้รอบตัวทีนี้ใกล้เวลาที่จะต้องสรุปกราบลาท่านพิบูลดิชันเองก็อยากจะถามท่านว่าถ้าเราจะสวดมนต์กันต่อไปเราก็ควรที่จะสวดทั้งภาษาบาลีและภาษาไทยหรือว่าในเมื่อท่านบอกว่าสวดไปในออกเสียงไปเทวดาก็ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. อย่างตอนต้นเนี่ยก็รู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็สวดไปเถอะ <laughs> <c oughs> ในความเห็นอาตมาคิดว่าควรจะต้องต้องรู้ทั้งสองสองอย่างคือทําไมเราต้องมีบาลีด้วยทําไมต้องมีภาษาไทยด้วยคือภาษาไทยเราต้องควรจะต้องเข้าใจแล้วถ้าเผื่อว่าวันใดวันหนึ่งเราไปรู้ภาษาบาลีเพิ่มเติ ม, เ, ตมเรามาสวดภาษาบ า, าลีเนี่ยมันจะยิ่งซึ้งมากเลยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นประสบการณ์ที่เกิดขึ้ น, นกับอาตมาโดยตรงเองอนะค่ <c oughs> แะแต่ว่าอพอเราไปเรียนบาลีมากขึ้นเรามาฟังบทสวดมนต์ตรงที่เป็นบาลีเนี่ยมันซึ้งมากนะซึ้งมากท่านคะแล้วมีไหมคะ ที่เป็นบทง่ายๆที่สวดกันอยู่ทั่วไปแต่คนส่วนใหญ่ยังออกเสียงผิดอยู่และถ้ามีคือตรงไหนควรจะไปแก้ไขเสียให้ถูกเป็นอย่างไรโอ้โหรูปรูปแบบการออกเสียงของภาษาบาลีถ้าเราจะเอาให้มันเนี๊บมากเลยนี่นะมันก็มันก็เหมือนคนไทยพูดภาษาอังกฤษมันก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรอะสำเนียงคนไทยใช่ไหมไหแต่คนอังกฤษเองถ้าอยู่สกอตแลนด์กับบทอย่างหนึ่งถ้าอเมริกันก็าพูดอีกสำเนียงหนึ่ง <c oughs> มันก็มันก็จะแตกต่างกันไป <c oughs> ค่ะอ่าค่ะเรื่องสำเนียงดิฉันเข้าใจแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องที่ออกเสียงผิดจนความหมายผิดไปเลยเนี่ยมีไหมคะอ๋อมีมี ม, มีเช่นคําว่าอะไรอ่าเ<อ>ช่นคําว่าอุปทานอย่างเงี้ยเนี่ยจริงๆมันต้องเป็นอุปทานนะไม่มีสละอาอออาสลุกเบาะปาแล้วก็ทอทหารสละอาหนอหนูเป็นต้นเป็นต้อ่าไม่มีสละอาเป็นอุปทานอุปทานใช่ค่ะมีคําอื่นอีกไหมคะหรือว่าสุดตะ นะถ้าถ้าเป็นสุตตะนะสอเสือสะดูต่อเต่าสละอันนี้หมายถึงเรื่องการฟังแต่ถ้าเป็นต่อเต่าสองตัวนะสอเสือสะดูต่อเต่าจุดแล้วก็ต่อเต่าสละอันนมีต่อเต่าสะกดด้วยมีตัวสะกดด้วยเนี่ยมันหมายถึงกลุ่มได้ห ม, มายถึงอะไรนะคะกลุ่ ม, มได้อ่าได้โอ้ก็ความหมายดิฉันจะเรียน รู้สุตตะแบบมีตัวสะกดนี่แปลว่าจะเรียนกลุ่มได้เลยมันจะเพียนิดหนึ่งนะคะต้องเรียนรู้สุตตะใช่ใสุตะนั้นแปลว่าการฟังนะคะสุตตะนะคะจาไว้แม้ดิฉันก็ยังสุตตะอยู่เลยนะคะแล้วมีคําอื่นไหมคะแล้วก็คําที่ใช้ผิดพลาดกันในภาษาไทยหลายๆอย่างมันก็มีสับสนกันอ่ะเช่นคําว่าอิจฉาอย่างเงี้ยอิจฉาถ้าเราเรียนภาษาบาลีไปเปิดพจนานุกรมภาษาบาลีเนี่ย หมายถึงความปรารถนาเฉยเฉยแปลว่าฉันอยากได้ก็ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงว่าฉันอิจฉาตาร้อนริษยาอย่างนั้นใช่ไหมแต่ถ้าอ <laughs> ิจฉาตาร้อนริษยาอย่างนั้นภาษาบาลีเขาใช้คําว่าอิสาอ้ออ่างสลีสอสอสเสือสเสือสละอามันกลและความหมายเพราะฉะนั้นพอเราเข้าใจภาษาบาลีเพิ่มเติมตรงนี้เราก็จะมีคําศัพท์ใหม่ๆหรือว่าใช้งานได้มันยังถูกต้องเราจะมีความเนียบในเรื่องของบทเพียนชนะมากขึ้น จริงๆเนี่ยดิฉันคิดว่าในเมื่อเราก็ใช้ภาษาบาลีอยู่ในภาษาไทยเยอะใ<ช>่ความจริงน่าจะให้คําเดียวเนี่ยมีความหมายเดียวกันเพราะว่าพอคําที่ออกเสียงกับคล้ายกันอะไรเงี้ยนะคะความหมายเป็นคนละเรื่องมันก็ทําให้สับสนได้ใช่ใช่แล้วก็พอความหมายที่มันเพิ่มขึ้นเน่ยอย่างคํา<ม>คว่ากรรมคําว่าเพ่งคําว่าเป็นคนมีทิฏฐิอย่างเงี้ย คำว่าการภาษาบาลีนี้ก็แบบธรรมดาเลยไม่ได้ไม่มีความหมายทางลบแต่เราบอกโอ้ <urun S 1> เป็นกรรมอ้าวกลับมีความหมายทางลบแล้ว <คะ S 2> ก็มีทิฏฐิทิฏฐิก็ความหมายธรรมดานะถ้าใช้ภาษาบาลีไม่ได้เป็นบวกไม่ได้เป็นลบถ้าเป็นบวกก็สามารถทิฏฐิถ้าเป็นลบก็มิจฉาทิฏฐิแต่พอบอกคําว่าทิฏฐิในภาษาไทยมันกลับมีความหมายเป็นลบคะ่ะว่าคนนี้มีทิฏฐิอะไรอย่างเงี้ยนะเออจริงๆด้วยนะคะน่าคิดมากเพราะว่าติ๊งก็ได้เจอหลายคํานะคะที่พอ เราเข้าใจแบบภาษาไทยเนี่ยเป็นอย่างหนึ่งชเช่นคำว่าสังขารอย่างเงี้ยนะคะใช่หรือว่าคำว่าสัญญาอย่งเงี้ยทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นคำที่สำคัญด้วยทางด้านของพระพุทธศาสนาใช่ใช่แต่ถ้าคนอ่านโดยไม่มีครูบาอาจารย์ไม่มีใครมาขยายความเนี่ยหลงทิศหลงทางไปเลยนะคะงงงบ น, นไปเลยเข้าใจคำสอนไปอีกแบบหนึ่งใช่ดังนั้นเรื่องนี้นี่ไม่แน่นะคะอนาคตข้างหน้า อาจจะมีคนลุกขึ้นมาปฏิรูปภาษาไทยให้สอดคล้องกับภาษาบาลีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็ได้นะคะ ถ, ถ้ามีก็จะจะดีต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่ายแน่ น, นอน<ช>คือ ค, คนไทยเราเองก็จะต้องเรียนรู้เพิ่มเติม่น ะ, ะ เ, รเราพูดกันในที่นี้ก็คือเพื่อที่ต้องการจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเดยได้อย่างน้อยก็เปิดใจว่าเ อ, อมันก็ควรจะต้องเรียนศึกษาใช่ค่ ะ, ะแล้วก็อย่างน้อยนะคะที่ฉันคิดว่าประโยชน์ตรงตัวเนี่ยไม่ไกลตัวคือเรื่องไปแก้ไขอะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะบอกมันไม่ใช่เรื่องของชั้นนะคะ แต่ถ้าเอาใกล้ๆตัวคือเราหวังประโยชน์จากคำสอนของพระศ า, าสดาเนี่ยเราจำเป็นจะต้องใส่ใจว่าภาษาที่พระศ า, าสดาสอนนั้นอาจจะพ้องเสียงหรือพ้องรูปกับภาษาไทยบางทีไม่ใช่ความหมายเดียวกันก็เป็นไปได้จะทำให้เข้าใจในความแห่งธรรมผิดไปอันนี้เสียหายหนักค่ะก็สรุปวันนี้เราสแสวงหาความรู้กันเรื่องของความจาเป็นในการรู้ภาษาบาลี อยากจะให้ท่านฝากภาษาบาลีสั้นๆที่แม่จําไปแล้วนี่มันเป็นประโยชน์กับโยมกันเหลือเกินเอาไว้ทิ้งท้ายค่ะวันนี้เป็นบทที่อาจามา ก, ก็ท่องอยู่เป็นประจำนะเพราะว่าในในคอร์สหลักสูตรปฏิปฎธรรมเนี่ยตอนจบชั่วโมงนะก็จะใช้คํานี้อยู่บ่อยๆแต่นะเป็นคําที่พระพุทธเจ้าอุทานขึ้นมาเป็นคํากลอนแต่นะเป็นคํากลอนหลังจากที่รู้ว่าพระองค์เนี่ยได้ตรัสรู้แล้วนะในคืนนั้นตอนพระอาทิตขึ้นนะพอตรัสรู้เป็นสัมมาสัมพุทธเจ้า อันนี้เป็นพุทธพจน์ ท, ที่พระเจ้าเปล่งออกมาที่ใต้ต้นไมโ้โพล์เอาสั้นๆก่อนนะเอาแค่บทเดียวะพระเจ้าแต่ อ, อยงี้บอกว่าอเนกชาติสังสารังสันทาวิสังอนิภิสังออกแค่นี้ว่านะขาหาการกางังเขเวสันโตทุกขาชาติปุณณะปุนังอันนี้หมายความว่าการเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกข์ร่ําไปจุกจัดออกแค่นี้อเนกชาติสังสารัง สันธาวิสังอนิพิสังแต่ความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกร่ําไปทุกชาติค่ะสองอันนี้เท่ากับสองประโยค์หรือประโยชนเดียวคะนะอ่าโอ้ประโยคนี่มัน ม, มันมันยังไม่ถึงประโยชน์คุณยอมถือ <c oughs> ความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติใช่ความเกิดเป็นทุกร่ําไปทุกชาติความเกิดเป็นทุกร่ำไปทุกชาติ <drowned. S 1> ค่ะดิฉันขออนุญาตทบทวนนะคะอเนกชา สังสารังสันธาวิสังอา น, นิพิสังจะผ่านใจความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติเป็นอเนกาชาติความเกิดเป็นทุกร่ำไปทุกชาติเผื่อใครจะกำลังชอ็อตโน้ตอยู่สั้นๆนะคะอเนกชาติสังสารังสันธาวิสังอา น, นิพิ อันนี้พิบสังใช่ความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติความเกิดเป็นทุกเรื่มไปทุกชาติการพระราช ก, การขอพระคุณท่านพบูลน์ค่ะเจียมปานค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะคําพระพุทธเจ้าเนี่ยฟังแล้วต้องใคร่ครวญท่านฟังอีกครั้งแล้วใคร่ครวญตามเลยนะคะอเนกชาติสังสารังความเกิดแล้วเกิดอีกเป็นอเนกชาติ สันธาวิสังอ น, นิพิสังความเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชาตคิค่ะคงจะต้องใกล้ครัวอย่างนี้ไปทุกวันเลยในช่วงนี้ก็เอาไว้พบกันสัปดาห์หน้านะคะกับรายการสันสนีสนทนาดิฉันสันสนีนาคพง์ดำเนินรายการร่วมกันกับท่านพระมหาภัยบุ์อภิปุณโนวัดป่าดอนไฮสกอุดรธานีวันนี้พุทธวสวสดีคะ่ะ